ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายและพยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอารหัตเรื่องของพระอารหาันต์คือปฏิบติทาที่ทำบุคคลให้เป็นพระสานาคามีได้ผ่านมาแล้วท่า <c oughs> นเห็ <c oughs> นว่าในด้านเขาสุขาวิปัสโก อตาตมาจะไม่ไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพะว่าสายสุขัุตรเซโกไม่ใช่ว่าท่านท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป <c oughs> ท่านก็ทําของท่า น, า น, นการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาสธิการทําจิตให้สงบท่านก็ทํ า, ทาแต่ส่วนใหญ่ท่านใช่อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขต ของกิเลสที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นขอนนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือการมชันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทาโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ขคงสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณ แต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระงับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเปลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาที่เรียกคําว่าพิรณที่เรียกคําว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจรารณาก็เห็นว่าเจ้าการมชันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยาก ถ้าเราจะทำลายทุกได้ยังไงก็บพ้อมมัคไปเรื่อปฏิบัติได้กสินสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบการมาฉันทะเติมหน่ายของสมถาภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียด้วยเอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าการของการมาฉันทะทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจ สิ่งสุขภโลกว่าเป็นของดีก็แค่ความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปนิสกําลังใจได้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสุกภโกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่ยามนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอนวุว่าเราก็ว่ากันทั้งสมถาวิปัสนาล้วนเข้าควบกันไป ตีกล่าวกันว่าพระสุขาวิปัสสโกมีวิปัสะนาญาณลวนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสะนาญาณเท่า น, นั้นอันนี้ขอผ่านไปตัวาทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนําท่านเท่านัานน้น เพื่อการปฏิบัติแต่ละท่านใะเหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นได้เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัต h ผลรู้ว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระ อ, อนาคาพระอร Hath มักสำหรับท่านที่ผ่านพระ อ, อนาคามีมาแล้ว ถ้านาคามีผลผ่านมาแล้วที่ที่ต้องทําต่อไปที่กําลังทําอยู่ขนาดนี้ถ้าเรียกว่าอัลฮัตมกักําลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอัลาห์ตะคุนเรียกว่าขนขนทางของพระละหาันกาลังเดินทางไปสู่ความเป็นอัลหันนั่นเอง <c oughs> อัลฮัตมักอัตม า, ตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายัางไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกัน เป็นอันว่ายท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทำไหมก็ต้องนอนตาปริด ช้างนอนนี้ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษงวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้คลผู้เข้าไปใกล้อยู่ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสีให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหว ใจคนช่างอย่างคิดวงของชางอ้างจะทำงานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทำอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ในความเป็นสุขวยกาลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้ก็เพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็ไม่ผ่านบนนั้น ก็เชื่อว่ามีความสุขพอดััเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไลรร่ยุงกิเลสต่อไปนี้สำหรับอนัตตมักที่กำลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอนัตตาผลทางสายนี้ไม่มีช้างทานทางสายนี้ไม่มีสเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้ มีแต่สัตว์เล็กนั่นก็คือยุงบั่งเหลือบบั่งเลนบั่งไลบั่งอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินเที่เล็กเทีน้อยาะถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะมมนได้มาเป็นตล่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระอนาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จพระจิ น, จนาสีท่านเรียกว่าอะไร เตเอดไกว่าหนึ่งรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานสองอรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุธตจะอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอาวิชชาความโง่ยังมีอยู่บ้าง ถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุตจหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอารูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุธตจารมณ์พุ่งนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูง มันจับไม่ได้จับแยก่ไปจับมดแดงมดแดงเทียตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวเราทำยังไงเราก็ใช้มงคลุมเพเลยทีเดียวความจริงมงอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเลงคลุมไลสังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไลเบียให้ลำบาก แล้วก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชชาว่าอาวิชชาเนี่ยคืออะไร <c oughs> ต้องดูวิชาก่อนอวิชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บางทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริง คนที่เกิดมันแล้วรัตี่เกิดมันแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเดียวขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัว แค่คืนไล่จับยุงทีะตัวไล่จับมดเทียตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอาหารหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมใช้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมใช้หมดคลุมโลกกักให้มันตายอยู่ที่นั่นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่เข้าไปสัมผัส เมื่อเราไม่สามารถจะสัะพายการมทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคุ้มให้หมดนี่คลุมได้สําหรับสิ่งที่มันจะมาทําลายเราแต่สิ่งที่จะเข้าไปทําลายคนอื่นทําลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี้ทําลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือต้องกันใช้เกระโหสวมตัวเราให้สิ้นสราง หมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็จะยวงเล่นไหลไม่สามารถจะทำอันตรายได้ก็ อ, อันนี้ก็ได้แก่เรียสัตว์สี่นี่มันดูตัววิชาคืออะไรอวิชาที่กล่าวว่าที่กล่าวไว้วไวในคันทวักไม่พระแตวิดกแต่บอกว่ า, าวิชาก็ได้แก่ความมีชันทะา ก, กับราคะ ฉันทัมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูประชานรูประชานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในรมพุ่งที่อยากจะคิดต้องเรียกนอตรอยไปนิดหน่อยพุ่งในตัวนี้ของด้านพระนาคามีพุ่งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูประชานดีอรูประชานดี การถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนุ้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์พุ่งคิดว่าเราเป็นแค่นาคาเมีก็พอใจยังไงยังไงเราเป็นพระเทว ด, ดาหรือว่าเป็นพรหมเ้าก็มีความสุขถ้าเรานีผ่านบนนั้นนี่ฉันทานกับราคาในสอร ก, การนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชา ยังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์ทุกละเอียดทุกหยาบท่านเห็นมาแล้วทุกละเอียดไม่เห็นทุกหยาบเห็นทุกหยาบด้วยกไดทุกเนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสงดาบันหรือว่ า, า, าทุกเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสีาาิทาคามีและทุกเนื่องจากได้มันยังไม่ได้เป็นพระนาคามีในเห็น เป็นนว่าทุกช้างเห็นทุกมดทุกเล่นไลทุกยุงไม่เห็นพว น, นี้ก็ทําลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสื่อรวบพระเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกข์ของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดี ถ้าหลงลเลื่อนเพลินอยู่ในการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่เพิ่งทํายังจะต้องทําต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขในด้านในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจที่จะต้องทํำจ้างต้องมี เออใจต้องไปนั่งฝึกไปนั่งฝลเพื่อทำจิตทอตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็อย่างทุกจิตยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือตน ว, ว, ว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคา ม, มีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์โปร่งใสมันยังมีอยู่ กิจอย่างอื่นยังจะต้องทำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุง้งคิดคลุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสนาสกิธาคาหรือบุตุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบาย กรรมใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆ ไ, ไม่สามารถใหผลเราได้เราก็มีความสุขให้ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทาเส้หมดไปเลยมาสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปเสเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งคอ <c oughs> คนที่เป็นพ่อนาคามีแล้วนี่จะมันนั่งสอนกันละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์คุณโมอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็อย่าขอรวบไร้กันสันส้นๆเพตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์วแล้วแล้วก็เป็นทางความขลิตด้วยสบายๆวิ่งแบบเรียบ คนเป็นกรอนาคามีถ้าทำลีลาแค่เข้าถึงความขันไม่มีอะไรยากนิว่ากันตามแบบมองเห็นชัด่กิเลสตัวเล็กๆทำไมถ้าปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้ยิงจะมานั่งหลงไหลไฝ่ฝันในรูปวิชานะรูปวิชาญมานะการถือตัวถือตนอุเิจะมีอารมณ์พุ่งเมื่อคิดยุ่งว่าเราเป็นเทว ด, ดาหรือพม่ำเราก็มีความสุข ตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบร้ายกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าถึงสุขถึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกําลังใจใช้บารมีสิบระการให้เข้าถึงจุด ให็นพระอหัิต์ระหารเซธันทีความจริงบรมีสิรบการสหรับระราห์นีจะรู้สึกว่ามีความเข้มข้นใจหนักหน่วงจริงๆสัตสัจธรรมที่เราจะคนเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ ที่เราเรียกกันว่าจาทะคือบริจาคและเสียสลาเราไม่มีการใช้คําาเสียเราไม่มีการใช้คําผละตัวนี้เราใช้คําว่าละเลยทีเดียวพละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลตีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในในฌานส ม, มาบัติทั้งรูปฌานและรูปฌาน ละตัวมานะการถือตัวถือ ต, อตนเห็นว่าสัตว์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งซ่านจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอาตภาพร่างกายเสียทิตงว่าอาตภาพร่างกายได้กรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยาม อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงท้ายตัวละคือทานบารมีตัวนี้พอแล้วละในแค่นี้คิดอารมณ์รับเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขคนที่สุดก็เป็นอาหารหันต์ได้สําหรับด้านศีระบารมีเขาอราหรันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดออกเครื่องคับ มัตยยัตไม่ทำลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แรบโซไดา้าก็ทำได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วจึงใช้เนคขมะเป็นนักบวชกันจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นครวัตอารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เกิดแห้งไปกามาชันท่ไม่ปรากฏ ความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนคขมมะของพระอนาคามีแตะเนคขมมะพระอรหันนี้ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดคือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบรารมีเข้าไปตัดทวิชานั้นมีเต็มที่พระอรหัน์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลว ทันนี้เพราะอะไรพระยอมรับแัะถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอาหารหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเดือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับวิริยะความภาคเพียนนี้ก็เพียนไล่ยุงจับยุงไลยุงหนียุงให้หมดไป กำลังใจของพระอรหันต์ย่อมไม่ไ ม, ไมีไม่มีมีคำไม่มีคาว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่าง ๆ, ๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องคันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกัน ชนการการต่างๆที่เป็นที่ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยๆเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็ม่มีไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จกกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดา อาการไข้ข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยๆขันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันปิยยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวลมเฉยๆถ้ารมมันเป็นปกติสมมุติวันเดินไปเนี่แดดมันร้อนจะไปต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจอดกลั้นว่าเราอดทนกันแห่งความร้อนในสําหรับพระ อ, อริยเจ้าคันนี้ไม่มีทีว่าเป็นเรื่องธรรมดา นี่เป็นคติห่อารมณ์ละเอียดซาจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นนี้ไม่ได้จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเดชอริฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปประชนันและรูปประชนันเป็นต้นเป็นของไม่ดีเป็นเป็นกิตที่เพีงต้องปฏิบัติต่อไป พอทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่แฝงคลอนสำหรับเมตตาของขาราชันนี้ปรากฏว่าเป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการส่งครอเขาาให้เป็นสุขมุมเบค่ขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มาจะมาแบบไหนก็ช่างพมัน มันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคา ม, มีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่ไม่มีความยินดีในโล ก, กีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันห้าของตัวที่มันปรากฏนั่นก็อยู่ในความปรดอัด ถ้าอยู่ด้วยความรลงคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นของสุปกปกตกได้พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านได้พูดอย่างภาษาที่ภาษาดีหมดท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในอยู่ในความอึดอัดอยู่ในความเบื่อนหน่ายแต่ว่ากํลาลังใจของพระอรหันต์ถือ ว, ว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์ เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไปมันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหารได้มีได้ดังนั้นพระอาหารหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะโนูนนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุข เป็นอันว่าการที่จะไล่ยุงจะตกจุงในฐานะที่ความเป็นพระหรันเรามองมามองดูบารมีกันก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือธานบารมีที่เราเรียกกันว่าจารานุสติกรมรฐานตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สดุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคำว่าละเชฟตัวเดียวโยละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละ ใ น, นเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีอารา บ, บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมันนี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระราหันอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามานัาานในรูปฌานคือบ้าในรูปฌานหรือบ้านในอารมูปฌานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรพวกนี้เป็นต้น คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจา้าคนนี้เป็นพระอริยเจา้าคนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌานและรูปฌานเห็นว่าเป็นของดีจะมาณนะโอทจารตาง อย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทุศเปิงกล่าวว่าท่านนั่นเป็นพระอาหารหันต์สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทบริษทัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่วิยะพูดให้ทุกท่านเป็นอรหันต์ได้ แต่เป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่านถ้าสำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทบริษัททั้งหลายผู้รับฟังจงมีแต่ค ว, วามสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาวงคนสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาพรพุทธเจ้าทรงบรรลแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุทำนั้นโดยจับพลันเถิดจวบ